ล้างจานเสร็จนะเขาก็จะไม่ทิ้งทีเดียวนะก็จะเก็บน้ําเอาไว้เอาไปรดน้นไม้ได้น้ําอาบก็เหมือนกันนะ้างางที่น้ําก็มีเยอะแล้วคนที่ทําอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นคนจนนะคนชั้นกลางหรือแม้กระทั่งคนมีฐานนะก็ก็ทําอย่างนี้เหมือนกันบางทีก็แม้จะร่ํารวยนะแต่ว่าก็เลือกใช้น้นําเช่นเธอใช้น้ําอาบก็อาจจะเป็นน้ําประปา สมัยที่มีน้าประปาแล้วแต่ถ้าจะลดน้าต้นไม้ก็ใช้น้าในบอ่อก็ลเลือกใช้ตอนนี้น้ำก็มีเยอะที่สวนโม่เนี่ยสมัยที่ท่านอาจาพรทธาตุยังอยู่เวลาเวลาจะฉันน้ำเนี่ยนะถ้าพระเติมน้ำให้ท่านเนี่ยเต็มแก้วนี่บางทีท่านก็ทวงนะเพราะว่าท่านฉันไม่หมดก็จะให้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 เติมน้ำนะรินน้ำใส่แก้วส่วนใหญ่เราก็จะรินน้ำให้เกือบเต็มหรือว่าให้เต็มถ้วยเต็มแก้วแล้วก็เวลาฉันหรือว่าเวลาดื่มก็ก็เหลือนะไอ้ที่เหลือเนี่ยเวลาเราทิ้งไปนี่ยมันคือเงินนะอาจจะบาทสองบาทด้วซ้ำเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่เราทราบน้ํามันแพงกว่าน้ํามันใช่ไหมผู้คนก็ไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าน้ําที่กินไม่หมดเนี่ย มันศูนย์เปล่ามากเลยเออถ้าเก็บเอาไว้นะเอาไปล้างถ้วยล้างชามหรื อ, อไปลดน้ำต้นไม้ก็ยังพอคุ้มค่าแต่มันก็ไม่คุ้มค่าเงินนั้นนะเพราะว่ามันเป็นเงินนะอันที่เราทิ้งไปนี่แต่ละแต่ละถ้วยแต่ละถ้วยแต่ละมือนี่คนหนึ่งนี่บาทสองบาทด้วยซ้ำนั้นปัญหานี้มันแก้ง่ายนิดเดียวนะก็เพียงแต่ว่าเราเติมน้ําเราลินน้ําเนี่ยให้พอฉัน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 แต่ในนี้เนี่ยเราก็เห็นระนะวาวน้ําก็น้อยลงขณะน้ําในสระนี่ไม่เคยแห้งแบบนี้มาก่อนเรียกว่าน้ําต่ําที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูรัญคาก็ได้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นเฉพาะที่นี้เป็นที่อื่นด้วยนั้นอันนี้มันเป็นปนัญหาของยุคนี้แล้วที่ว่าน้ําเริ่มน้อยลงแต่ว่าการใช้น้ํานี่ก็กลับฟุ่มเฟื่อยนะตรงข้ามกับสมัยก่อนนี่น้ําถ้าอุดมสมบูรณ์แต่คนใช้ประหยัดมาก ไม่เฉพาะเรื่องน้าที่เราใช้กันอย่างผุ่มเฟือยนะแล้วก็ เ, เสียเปล่าอาหารก็เหมือนกันนะอาหารทุกวันนี้นี่เราก็ใช้แล้วศูนย์เปล่าเยอะมากมันเป็นอย่างนี้ทั้งโลกเลยนะเขาบอกว่าโลกเนี่ยปีหนึ่งผลิตอาหารได้ประมาณสามพันล้านตันแต่ปรกว่าอาหารที่ศูนย์เปล่าศูญย์เสียไปนี่หนึ่งในสามที่เดินนะหนึ่งพันล้านตัน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 พอมาเก็บไว้ที่บ้านถึงเวลาจะปรุงก็ปรุงนะแต่พอกินมันก็จะไม่เหลือทิ้งนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจมากขึ้นแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทวนกระแสะบริโภคนิยมนะกระแสะบริโภคนิยมคือว่าเนเรื่องความรูหราฟูฟืานะทิ้งไปทิ้งก็ไม่เป็นไรนะขยะมากก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามัน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 เป็นพลาสติกนี่ก็ต้องเผาบางทีไม่มีกำลังก็ต้องกําจัดด้วยการาไปทิ้งที่ในเมืองแกล้งครอแต่มันก็เป็นการ ผ, ผาลักภาระไปที่อื่นอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะที่เราควรจะมีในเรื่องการบริโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นอาหารเร้พูดถึงน้ำเนี่ยอย่างที่ว่าเราเด๋ยนนี้เราใช้น้ำขวดเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่ามันมีราคาเท่านั้นนะไอ้น้าขวดเนี่ย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 ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยใช้ชีวิตของเราอย่างสูญเปล่าหายใจลดทิ้งไปเปล่าเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี้ก็ยิ่งสูญเปล่าก็าไปใหญ่อันนี่คือสิ่งง่ายๆที่เราจะทำได้นะสำหรับทรัพยากรที่จำกัดแล้วก็มีน้อยลงทุกทีเราก็เตรียมรับพร